ตที่คิดวนคิดเวียนอยู่กับเรื่องเดิมๆ ม, มันคือเชื้อที่ทำให้ไฟโถสะเกิดขึ้นพอมันเกิดขึ้นแล้ว เ, เราเพลินเรามีสติรู้รู้วับโถสะมันก็ชะงักไปแล้วถ้าเรารู้ต่อแบบหลายๆแบบหลายๆขณะดจิตติดต่อกันต่อนเนื่องไฟโทสะก็จะค่อยดับไปหรือถ้าสติมันเร็วมากเนี่ยมันก็ไม่เปิดโอกาสให้ความโกรธเนี่ย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 สติที่วายเนี่ยเพียงแค่กระเพื่อมนิดหน่อยก็รู้แล้วแต่ถ้าสติไม่ไวายเนี่ยก็ต้องกระเพื่อมแรงๆถึงจะรู้แต่เมื่อสตินี้ได้ได้คุ้นเคยกับอาการกระเพื่อมของจิตอยู่บ่อยๆก็จะจําไดนะ้เพียงแค่กระเพื่อมนิดเดียวก็จะรู้เมื่อรู้แล้วก็นะแม้จะคิดเพียงแป๊บๆเดียวเนี่ยพอพอสติรู้เข้านะจิตมันก็หยุดคิดไปเอง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 นะแอบมาคลองจิตของเราแต่เมื่อเราเห็นเขา้ามันก็หลบไปมันอายอย่างที่เคยเล่าว่าเนี่ยมารเนี่ยมันมันกลัวกลัวคนรู้ทันมันจะปลอมมันจะป่วนยังไงอย่างเช่นมันเคยเข้าไปเช่นผู้ะอจ้านี่กําลังกําลังทรมานพรมทรมานก็คือว่ากําลัง จะทําให้พรมเนี่ยเปลี่ยนความคิดว่าตัวเองนี่เป็นเป็นอัตตาหรือเที่ยงพกาพรมเนี่ยก็มีพรมอีกมานี่ก็เข้ามาสิงอีกพรมอีกคนหนึ่งอีกตัวหนึ่งอีกตนหนึ่ ง, งแล้วก็ต่อว่าพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้า ก, ก็ไม่ว่าเลยเขาบอกว่าเนี่ยเพียงแต่บอกว่าเนี่ยมานผู้มีบาปเรารู้จักเจ้านะเจ้าอย่ารู้ว่าเราไม่รู้จักเจ้าเพียงแค่นี้หละมันก็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 สติคือระลึกได้สัม ป, ปชัญญะคือรู้ตัวแต่แล้วก็พูดรวมๆกันไปว่าเนี่ยสติคือระลึกได้บ้างล่ะสติคือความรู้ตัวบ้างละนะ่ะเมื่อรู้ตัวแล้วมันก็สลัดอารมณ์ต่างๆไปได้ในการเจริญสติเนี่ยเราก็ทำนะทั้งโดยอาศัยรูปแบบนะคือการสร้างจังหวะเดินจงกรมโดยอาศัยสภาพแวดล้อม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 อย่างอาจารย์ประโมทนะซึ่งหลายท่านในที่นี้ก็รู้จักนะซึ่งท่านเป็นผู้ที่ศึกษามากจากครูบาอาจารย์หลายสำนักแล้วก็โดยเฉพาะทางสายของพระจันมั่นท่านอาจจะบวชได้5้พันสาแต่ว่าปฏิบัติตั้งแต่เป็นคาวะมาสาม0ิ0ปีแล้วท่านก็ศึกษามาหลายสำนักมาก โดยพาะทางด้านของอสายของพระจรันมั่นท่านก็ได้พูดถึงพระจรันมั่นไว้ว่าพูดถึงคําพระจรันมันก็ได้สอนว่าจริงๆแล้วเนี่ยหัวใจของการปฏิบัติธรรมก็คือการเจริญสติในชีวิตประจําวันนะถึงแม้ว่าท่านจะแนะให้ลูกศิษย์ได้บําเพ็ญสมถกรรมฐานมากแต่ว่าก็ได้ย้ําให้เมื่อออกจาก จักกรรมฐ า, านแล้วก็ให้มีสติรู้กายรู้ใจอยู่ตลอดเวลาซึ่งตรงนี้เนี่ยก็คือท่านศึกษาไปรวมธรรมาศึกษาหลวงพ่อเทียนก็พบว่าคำสอนของอาจารย์มั่นโดยแก่นแท้แล้วนี้ก็ก็เข้าได้หรือว่าสอดคล้องกับที่หลวงพ่อเทียนได้ได้ได้ย้าเอาไว้นะก็คือเรื่องการมีสติรู้กายรู้ใจท่านก็ได้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 คือการรู้กาย ร, รู้ใจไม่ใช่เจริญสติเพื่อให้ใจสงบอย่างเดียวนะอันนั้นมันจะกลายเป็นสมถะอย่างที่ผู้ผู้เมื่อเช้าแต่ให้มีสติจนกรทั่งเราเห็นกายเห็นใจจริงๆไม่ใช่พอใจกับความสงบแม้จะสงบก็รู้ว่าสงบนะแม้ไม่สงบก็รู้ว่าไม่สงบการการทำเช่นนี้เป็นเรื่องสําคัญแต่พูดอย่างนี้อบางคนก็บอกว่าเออก็ดีแล้วฉันเจริญสติในชีวิตประจําวันก็ได้เพราะนั้ฉันไม่ต้องมาวัดก็ได้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 เอาเข้าจริงๆนะคนที่บอกว่าฉันจ ะ, จะเจริญสติในชีวิตประจาวันได้เอาเข้าจริงๆก็ก็อาจจะเหลวนะเพราะว่ามันถูกนะถูกความหลงนะความลืมนี่กืนกินเข้าไปเพราะฉะนั้นเนี่ยก็บางการที่จะเปลีกยตัวมาปฏิบัตนะิในสถานที่อย่างนี้นะหรือว่าในที่ไหนก็ตามเนี่ยมันก็จําเป็นเลยเพราะคนที่ไม่ค่อยมีวินัย